สติปัญญาผายพ้นจากการควบคุมของกฎธรรมชาติสิ่งที่เราเป็นอยู่ประสบการณ์อยู่ทุกวันทุกลมหายใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติและกฎของธรรมชาติจิตวิญญาณของเราถูกธรรมชาติและกฎธรรมชาติควบคุมอยู่ถ้าตราบใดสติปัญญาอ่อนจะถูกธรรมชาติปิดบังเอาไว้ไม่ให้รู้ความจริง เช่นอย่างธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีครอบครัวมีผัวมีเมียอันนี้คือธรรมชาติที่ปิดบังเอาไว้อยู่ถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วการครองเรือนการมีครอบครัวก็ไม่เห็นจะมีความจําเป็นอะไรถึงแม้ว่าเราไม่มีครอบมีครัวมนุษย์ก็ไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะว่าคนอื่นเขายังสืบพันธุ์กันอยู่มันก็จะไปของมันอย่างนี้แล้วแต่ภูมิปัญญาของใคร เมื่อก่อนนี้พลเมืองในประเทศไทยมีจำนวนน้อยระหว่างพุทธศักราช2460มาถึงพุทธศักราช2470พลเมืองในประเทศไทยมีอยู่10ล้านคนจากพุทธศักราช2470ถึงพุทธศักราช2480เพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนในสมัยที่พลเมืองไทยยังน้อยอยู่คนทั้งหลายเขามาว่าหลวงพ่อหลวงพ่อบวชมาตัดทอนพอลเมืองของประเทศบวชมก ตัดทอนพลเมืองของประเทศตัดทอนผลผลิตของชาติเราก็ได้แต่นั่งอมขี้ฟันเถียงเขาไม่เป็นที่นี้ยพอเราโตขึ้นมาแล้วเรารู้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมความเป็นไปของประเทศและสังคมคนที่เขาผลิตมนุษย์ขึ้นมานิดตัวเขาเองก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงต้องให้คนอื่นช่วยเลี้ยงบ้างเป็นภาระของรัฐบาลบ้างที่นี้พอใครมาว่าพวกเรานี่ตัดทอนพลเมือง เราก็ด่าคืนเราก็บอกว่ามันดีแล้วที่ฉันไม่ไปทําให้คนเขาเกิดมาเป็นภาระแก่รัฐบาลฉันตัดถอนค่าใช้ใจ่ายรัฐบาลที่จะต้องจ่ายมาบารุงพวกเราฉันบวชเป็นพระฉันเป็นพระดังฉันก็หาเงินช่วยรัฐบาลอยู่แล้วมีใครทําได้อย่างฉันบ้าง